หาไม่แล้วนี่คนคงไม่มีความเมตตามีกรุณามุนทิตตาอุเบกขาถ้ า, าเราไม่ประพฤติพรหมจรรย์พรห ม, มวิหารคงจะยากจะมีเราเองก็จะไม่รู้จะไปทิศทางไหนและจะอยู่ในลักษณะศา ส, สนาของความเชื่อแบบงมงายอาจจะเป็นเรื่องความเข้าใจเรื่องการฆ่าตัวตาย ได้บุญก็อาจจะเป็นไปได้คืออาจจะใช้ชีวิตแบบมีสมะถะเป็นแกนซึ่งก็ไม่สามารถได้เห็นความจริงอะไรได้อาจจะมีความสงบเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ต้อตอดโจดชีวิตไม่ได้ว่าชีวิตเนี่ยที่สุดของมันลมันคืออะไรเกิดมาทาไมเกิดมาเพื่ออะไรนี่แล้วเขาจะคลาหาไม่เจอว่าจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่ เพราะคนหลงทางมาก่อนนั้นก็ตั้งสี่ห้าพันปีพวกพราหมณ์นับถือศาสนาแบบพราหมณ์มานั่นเป็นความเชื่อแบบเดิมๆ เ, เหมือนกับเราทั้งหลายเชื่อแบบปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าตายแล้วเกิดเชื่อว่าตายแล้วศูนเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าเชื่ออะไรแบบเนี้ย นี่คือความเชื่อแบบเดิมๆที่พราหมณ์ก็มีแล้วก็พยายามที่สแสวงหาคำตอบก็เลยเกิดลทัทธิพระหุเทวานาครีขึ้นมาพระหุเทวนิยมนับถือพญานาคนับถือเทวดามากมายหลากหลายเทพโภนะก็กศัออกดิ์สิทธิ์อก็ศักดิ์สิทธิ์นั้นเราจึงเห็น ในศาสนาพรามหมณ์ศาสนาฮินดูเนี่ยมีเทวรูปศักดิ์สิทธิ์มีอะไรมากมายหลากหลายที่วัสนมิสนุมีพระพรหมพระสิวะพระพิกเนศพระอะไรต่างๆเนี่ยมันมากแต่ก็เป็นศาสนาที่เน้นความเชื่อเป็นแกนไม่ต้องอาศัยการศึกษาการพิสูจน์เรียนรู้อะไร อาศัยความเชื่อความเชื่อแล้วมันคุมคนคุมกลุม่มชนในสังคมถ้าเราไปอินเดียนะถ้าเป็นศาสนาอื่นก็คุมคนไม่อยู่เพราะเป็นแบบนั้นแหละมันถึงอยู่สังคมอินเดียศา ส, สนาฮินดูศา ส, สนาุทธามนุนีแต่ว่าเมื่อสองพันหกร้อยปีล่วงมาเนี่ยพระพุทธเจ้าถ้าไปศึกษาลองดูว่าไอ้คําสอนความเชื่อแบบนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไง ท่านเลยไปปฏิบัติดูศึกษาดูปรากฏว่าเกิดความรู้แบบหนึ่งขึ้นมาท่านว่าสิ่งที่ผ่านมาในยอย่างความเชื่อตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องอะไรบป น, นี่โอ้มันเป็นเรื่องความสับสนทางความคิดนะมันเป็นความสับสนทางความคิดทางจิตทางใจของเราเองเนี่ยที่เราไม่สามารถที่เข้าถึงสัจธรรมได้เพราะเหตุว่าท่านสามารถ เข้าถึงที่สุดของความรู้เขาเรียกว่าตัดสะู้แล้วนํามาสอนคนมาบอกคนท่านว่าทางที่ถูกต้องเป็นดังเนี้ยความรู้อันยิ่งของมนุษย์เนี่ยที่สุดของความรู้ที่สุดของความเชื่อความว่าอย่าเชื่อตำตามกันมาอย่าเชื่อโดยมีอยู่ในตํารายอย่าเชื่อครูบาอาจารย์พาทำ ม, มาอย่าเชื่อเห็นว่ามันมีในพระไตรปิฎกอย่าเชื่อเป็นเรื่องปรํปาดประาอย่าเชื่อพอคิดเอาตามอาการเห็นคนนั้นเล่าคนนี้เล่าน่าฉุด ไม่ต้องนะไปเฝ้าดูจากที่เกิดของทุกข์จริงๆอย่างความเชื่อเรามาจากไหนมาจากจิตไปเฝ้าดูจิตนะความเชื่อมาจากไหนมาจากใจไปเฝ้าดูใจจากความรู้สึกนึกคิดตอนนอนหลับอยู่มีอะไรไม่มีอะไรพอตื่นขึ้นมามันคิดเวลามันแจ้งคิดไปแบบหนึ่งเวลามันมืดมาคิดไปแบบหนึ่งลองไปเทความเชื่อตัวเองที่มันเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยสัจธรรมนะ่ยคืออะไรกันแน่ในสุด เวลาเราดูอาการของกายของจิตมากขึ้นก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาที่เรียกว่ารู้แจ้งสัจธรรมเห็นทุกข์เกิดดับตามความเป็นจริงเห็นสมุทัยเกิดดับตามความเป็นจริงเห็นี่โรธเกิดดับตามความเป็นจริงอ่ะโอ้มันเป็นีนี่เองเนาะทั้นสิ่งที่พูะที่เอามาสอนก็คือความรู้ว่าจริงๆเนี่ยความทุกข์ที่เกิดจากธรรมชาติเป็นยังไงตามความทุกข์ที่เกิดจากอุปาทานขันเป็นยังไง อุปาทานขันคือความเชื่อตามอาการของจิตเราเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมเราถึงมีความเชื่อแบบนั้นทําไมเราจึงลบความเชื่อพวกนี้ไม่ได้ทําไมความเชื่อพวกนี้ยังมีอยู่ในใจแล้วความเชื่อพวกนี้มันเป็นความจริงไหมตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญบาปบุญอยู่ที่ไหนต้องให้มันเกิดการรู้แจ้งแบบพระพุทธเจ้ารู้นะมันถึงจะได้ ดังนั้นเราก็งมงายไปเรื่อยจิตเนี่ยหาตัวตนของตัวเองให้เห็นถ้าเราจะมีความเชื่อมันไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวความหลงมีก็จะมีเอาความหลงออกไม่ได้ไอ้ตัวความเข้าใจเรื่องความโลภความโกรธก็จะตามมาความโลภความโกรธมันตามมามันไหลมาจากใจเราถ้าเราไม่เห็นมันมันก็เป็นแบบนี้ ล้วก็หลงทางไปเรืเร่อยๆฉะนั้ทนทาไงจึงจะเกิดปัญญาสว่างเห็นแจ้งขึ้นมาถ้าไม่อาศัยการฝึกฝนดาเนินรอยตามพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จักในคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องใบไม้กับมือเดียวใบไม้มีอยู่ทั้งป่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมีอยู่เต็มป่าคำสอนพระยาแปดหมื0นสี่พันพระธรรมขันธ์ท่านสอนมากมายหลากหลาย แต่ความเป็นจริงนี่ท่านสอนโดยย่อเนี่ยคือการปล่อยวางสัพเพธรรมานัลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายควรปล่อยวางต้องปล่อยวางถ้าปล่อยวางมันก็ไม่หนักแต่ถ้ายึดมันก็หนักเขาสอนให้ปล่อยวางแต่ของเราเนี่บางทีมีแต่เอานะนะการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ว่าทางโลกทางนักเพศบรรพชิตอะไรมีจะเอากับเอา เราไม่ได้ปล่อยวางอย่างที่พระพุทเจ้าท่านสอนปล่อยวางเขาว่าปล่อยวางในปล่อยวางทั้งจิตนะอย่างเวลาความง่วงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัณหามันจะคลืบคานเข้าไปในจิตแล้วมันไปเชื่อมกับร่างกายเป็นความง่วงหนักเลยยาวเลยเวลาปฏิบัติธรรมก็คือมาเฝ้าดูว่าอาการระหว่างตัวเวทนาเป็นอนัตตาหรือตัวอุปทานเป็นอนัตตาเนี่ยอุปทานในเวทนาเนี่ย มันทำงานหนึ่งมันเป็นอนัตต า, างไงแเรวมาเฝ้าดูมันนั้นโดยอาศัยการระลึกรู้นี่แหละให้มันตั้งมันจนกรทั้งว่าเห็นสัจจะสัจจะคือความจริงของจิตว่ามันเป็นอย่างไรสิ่งที่เรามีความเชื่อทั้งหลายทั้งปวงเป็นเปลือกของชีวิตเ น, นี่ยทำไงมันจะหายไปนั่นแหละคือแสวงหาปัญญาก็าทําอยู่บ่อยๆเห็นอยู่บ่อยๆระลึกรู้จนกระทั่งนู่นแล้วมันแจ่มแจ้งขึ้นมานั้นแหละ ถ้ามันไม่แจ่มแจ้งมันก็จะทําให้เกิดความหลงความหลงในเบื้องต้นคือหลงรูปหลงนามเพราะนี้แหละหลงรูปหลงนามหลงกายหลงจิตหลงความคิดเวทนาสัญญาอารมณ์มันหลงไปหมดเลยนะมันจึงไปเป็นตัวตนข้างนอกเนี่ยเป็นความเชื่อเป็นตัวเป็นอะไรอยู่ข้างนอกนี่ยมันเกิดจากการไม่เห็นจิตตัวเองอะเพราะพระพยยุทธเจ้าท่านสอนเราเคยได้ยินนะพระอุลานุศาสนี ธรรมที่ทรงสอนมากที่สุดย้ำเตือนบ่อยที่สุดคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นอนัตตารูปังอนิจจังรูปังอนัตตานีรูปกายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะเป็นปรากฏการณ์ที่เฉยนะเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นปรากฏการณ์คือเป็นธรรมชาติที่มันเกิดแล้วมันกระดับ แต่เราสำคัญมั่นไหมาว่าเราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็เลยยึดมั่นถือมันในความเป็นตัวตนอั่นเนี่ยเราปล่อยไม่เป็นระวงังไม่เป็นจิตมันติดมันผูกพัน่ะปัญญามันไม่เกิดนี่ดังนั้นเขาจึงอยากให้ศึกษาสัจธรรมดําเนินรอยตามพระพุทธเจ้ายิ่งว่าท่านสอนเลยเออคําสอนในพระพุทธเจ้าชอบสอนนะเรื่องเนี้ย สอนบ่อยโอสแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องศึกษามากๆเลยไม่ว่าท่านสอนใครก็ตามตสอนทันทะีเนี่ยเรื่องขนันธ์หน้าเนี่ยโดยย่ออกก็คือกายกับจิตกายกับใจอนี่มีกายกับจิตมีสองอย่างนะรูปกรรนามรูปเวทนาสัญญาสังขารเราไปแยกดูดิอุปท า, านในเวทนาเป็นยังไงอุปท า, านในรูปกายเป็นยังไงอุปท า, านใน สัญญาความจำเป็นยังไงอุปทานในสังขารความพลุงแต่งมันเป็นยังไงอุปทานในวิญญาณคือความคิดทิพคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนี่แหละที่เขามาทําความรู้สึกตัวและลึกลงมาเฝ้าดูจิตของตัวเองก็คือแบบ น, นี้แหละสร้างจังหวะเดือนจุกรมเพื่อมาสังเกตดูว่าจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เฝ้าดูทุกวันบางทีมาเกิดพิติเกิดสมาธิเกิดความเบาเกิดความคิด เมื่ทีไหลล่องลอยเบลอไปตามเห็นรูปเห็นสีเห็นแสงเห็นความงมไงไหลไปตามกระแสก็มีนะเราไม่รู้อันมาทําให้ความรู้มต่มแจ้งอืทุกขัดขันทัศะนะกิริยาะปัญญาเยธาติทำฉไนาการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ไร้ไความทุกเนี่ยทําไมไม่จึงจะเห็นชัด รูปเนี่ยจะอะไจะเห็นชัดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทําไงถึงจะเห็นมันชัดถ้าเห็นชัดชัดมือกายเป็นอรัตตาทุกก็เห็นทุกชัดเห็นทุกชัดต่อไปก็เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมากทุกที่เป็นธรรมชาติเป็นยังไงทุกที่เกิดจากอุปาทานขันเป็นยังไงเนี่ยปัญญามันที่เกิดขึ้นเองสังเกตเองถ้าเราพิจิตรพิจารณาอยู่บ่อยๆและลึกทำบ่อยๆอยู่เนืองๆเนี่ยจิตเรามันไม่เสื่อมจากวัฏธรรมะ จิตเนี่ยมันไม่เสื่อมจากพระสธรรมเพราะมันเห็นอยู่บ่อยๆที่มันเสื่อมเพราะอะไรเพราะมันไหลออกไปข้างนอกไปสู่ปะปัจจัยธรรมมันไปเรื่องนอกสนใจเรื่องข้างนอกตัวมากกว่าดังนั้นคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีความรู้ขนาดไหนก็ตามนะ่ะความรู้ก็ตามความไม่รู้ก็ตามบารมีงบารมีอะไรก็ตามเราจะไปยุ่งกับมันเรื่องแบบนั้นนะ พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ แ, แข่งดีแข่งเด่นอในพวกนั้นนะแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฝึกสตินั้นคนแต่ละคนเหมือนกันหมดเลยคนนี้อาจจะนุ่งเสื้อผ้าสวยงามคนนี้ผิวพรรณขาวคนนี้ดําอืมคนนั้นเป็นยังี้พระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวอันนั้นวางไว้อันนั้นพระพุทธเจ้าให้มาสังเกตว่าคนไหนทุกข์ใจมากกว่ากันนี้ตั้งหากความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเลยอันไหนทุกข์มากอันไหนทุกข์ม้อย ถ้าจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าท่านแค่เดินไปด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมีทุกคนไม่มีพระใหม่ก็รู้สึกพระเก่าก็รู้สึกคนจนก็รู้สึกคนรวยก็รู้สึกสตินี่มันเหมือนกันหมดเนี่ยเพียงแต่ว่าใครจะทําให้มันมากกว่ากันเทานั่นเองใครจะทําได้มากได้น้อยกว่ากันใครจะทําได้เกิดปัญญามากกว่ากันทํามากก็เป็นมากนี้ทําน้อยก็เป็นน้อยไม่ทําเลยก็ไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าเข้าถึงสัจ ธ, ธรรมเนี่ยไม่ใช่ด้วยฐานะกษัตริย์นะแต่พระพุทธเจ้าเข้าถึงทำด้วยมีสติมีการระลึกรู้มีการสังเกตมีสมาธิมีปัญญาปัญญารู้จักอสอดส่องเห็นในขณะเดียวกันก็มีอุเบกขาคือสามารถเฉยกับสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นได้สามารถอยู่กับปัจจุบันธรรมนี้ได้นั่นแนหะสิ่งนั้นแหละที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้า มีนักปราชญ์หลายท่านเขากล่าวว่าปุ๊บที่ท่านตัดสรูเพราะอะไรเพราะท่านรู้จากทวนกระแสคือไม่ไหลไปตามความคิดไม่ไหลไปตามความคิดนะแต่คนทั้งหลายนี่ไหลไปตามความคิดไหลไปตามความปรุงแต่งเพราะไหลไปตามความคิดมันก็เพล่อนไปดิอันนี้ไม่ได้ให้ไหลไปตามความคิดเนี่ยให้มาอยู่กับปัจจุบันธรรมอันเนี่ยให้ระลึกรู้ระลึกรู้จนถ้ามเหมือนต้นไม้เนี่ยทําไมมันยิ่งจะออกรากต้องปลูกนานะ วันสองวันไม่ค่อยออกรากต่พุทธธรรมแปลกมากบางคนทำบันเดียวก็ออกรากบางคนทำบันเดียวก็ออกผลธรรมเนียเป็นอากาลิโ ก, โกไม่เลือกเวลาไม่เลือกการสภาวะธรรมเนียสามารถปรากฏเกิดขึ้นได้ปัญญาเนี่ยเป็นโอปปาติกะผุดขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนียเพื่ออะไรเราบวชเพื่ออะไรเราปฏิบัติเพื่อเพื่อทำ นิ่พานะสัจจิเรียดนาถายะนิ่พานะสัสจิเครียดทากัลณ์ายะกรรมฐานังคือมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสดงว่าพระนิพพานมันมีอยู่ในคนทุกคนเนี่ยแต่มันไม่แจ้งพอมันไม่แจ้งมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์ปฏิบัติ ท, ทําเจริญสติเพื่ออะไเพื่อให้มันแจ้งเพื่อให้มันทุกข์มันหายปฏิบัติจนทุกข์มันหาย มันแจ้งไว้จากใจใจนี markets, ้ท่านบอกว่าเป็นประพัสสอนใจเนี่ยมันว่างๆมันส่องสว่างอยู่แต่พอความคิดมาครอบงำมันก็มืดท่านท่านบอกว่าจิตเดิมแท้จริงๆมันว่างๆมันประพัดสอนอยู่มันไม่มีความคิดไม่มีความปรุงแต่งแต่เวลาเราไม่มีสติมันเข้าไปอยู่ในความคิดซะปัญหาเนี่ยเวลาเราขาดสติมันเข้าไปอยู่ในความคิดไปอยู่ในความปรุงแต่งซะ มันก็เลยกลายเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนแต่พเป็นกิเลสมันจรเข้ามาพอกิเลสมันจรแวบเข้ามาในใจมันมีเรื่องคิดก็เลยคิดไปตามเรื่องมันก็ ย, ยืดยาวไปกลายเป็นตัวตนกลายเป็นกูคิดเป็นมึงคิดมันไหลไปตามกระแสทันทีดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ศึกษาใบไม้ํามือเดียวใบไม้ํามือเดียวก็คือ สติสัมปชัญญะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมได้ลึกรู้อยู่กับตัวรู้เนี่ยใบ ไ, ไม้กับมือเดียวไม่ต้องไปสนใจในพระไตรปิฎกแปดหมืนสี่พันเรื่องนะไม่ต้องสนใจแต่รู้ไม่รู้เนี่ยรู้ถ้ารู้ต่อเนื่องก็กลายเป็นโล่งเป็นโปร่งเป็นสมาธิน<ม>ถ้าไม่รู้ก็กลายเป็นความคิด<ม>เป็นความคิดเป็นสังขารปรุงแต่งไปมันก็ยืดยาวเป็นสังขารเป็นทุกข์อย่างเนี้ ย, ยดังนั้นใน พันศาเนี่ยเราก็เรียนรู้สัจธรรมจากพระไตรปิฎกจากครูบาอาจารย์แล้วก็เอามาส่องดูใจตัวเองเรามาเรียนรู้่าฝึกสตินีเนี่ยทีนี้ฝึกสติเพื่อเพื่อให้เห็นจิตตัวเองจิตที่มันคิดมันไม่คิดมันปรุงแต่งมันอยากมันโกรธมันหงุดหงิดมันง่วงมันเงาเนี่ยมันเกิดจากอะไร มันทำงานยังไงเรามาเฝ้าดูอันนั้นเดียเ๋ยวนียเฝ้าดูตามรอยพระพุทธเจ้าเขาเรียก ว, ว่ารอยพระพุทธบาทเรามาศึกษาดูรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าหรือพุทธภาวะ เ, เขาเดินไปทางนี้เดินไปทางที่มันไม่มีทุกข์เนี่ยเดินไปทางที่มันดับทุกข์เนี่ยเราจะเดินทางไปทางนี้เราก็มาพัฒนามันจับเอาใบไม้กามือเดียวซะนี่เป็นประโยชน์นะเนี่ย ใบไม้กับมือเดียวมีน้อยเป็นยาเนี่ยใบไม้ในป่าไม่เป็นยามันเยอะความรู้พระเจ้าบอกว่าถ้าจะปฏิบัติจะไปหาปฏิบัติมากมายหลากหลายปฏิบัติลงที่กายที่ใจรลลึกรู้เนี่ยเหมือนเขาปฏิบัติพุโทโธพองโยบหรือเนี่ยที่เราทํารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยสังเกตดูจิตเรื่อยเรื่อ ย, อ ย, อยโกรธก็จะไปตามมั่น งุนิดก็อย่าไปตามมันถ้าไม่ตามมันมากเข้ามานเขาจะเกิดวิปัสนาญาณเพราะสติมันรู้เท่าทันความคิดมันทันอารมณ์อารมณ์ก็จะเกิดดับทันทีอะแต่ถ้าไม่เห็นไม่รู้เท่าทันนก็ไม่ดับนะมันไหลไปตามกระแสไปเรื่อยๆพรรษาแปลว่าฤดูฝนวสันพรรษาฤดูฝน นี่อยู่ทั้งหมดสามเดือนนะสิงหากรกตาคมประมาณนี้ช่วงนีนะ้สมัยปกติพระสงฆ์นี่จะไปภาวนาที่โนนภาวนาที่นี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเืเเเ่ดูเข้าบัญชาเนี่ยท่านให้อยู่กับวัดไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนอยู่ด้วยกันคือต้องให้อยู่ด้วยกันหลายๆคนแล้วก็ช่วยกันดูแลจัดแจงเสนาสะนะที่อยู่อาศัยนะ ซ่อมที่อยู่คือปกติถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันซ่อมไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้มันมีเต็นต์นะซื้อเต็นต์มาก็สบายมันก็ต้องช่วยกันมุงคนนี้ขึ้นคนนี้ยื่นอยู่ด้วยกันพรรษาหนึ่งออกพรรษาแล้วรับกรถินรับอะไรก็ไปที่โน่นที่นี่สมัยก่อนเขาไม่ได้ค่อยจะจำรรษาไปเรื่อยๆย่ละระยะหลังมาเนี่ยพุทธเจ้าให้จำรรษาอยู่จำรรษาเพื่ออะไร เพื่อเป้าหมายคือหนึ่งเพื่อความสามัคคีสองอยู่เรียนรู้ธรรมะจากครูบาอาจารย์สามพัฒนาอารมณ์กรรมฐานตัวเองเจศึกษาอาธิพรมจารย์ฝึกจริตฝึกนิสัยเขาอย่างที่เราเคยได้ยินเนี่ยพอบวชมาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาไม่ให้หนีจากอุปชาให้ถือนิสัยกับอุปชา มันจะมีคําขอนิสัยคําขอนิสัยนั่นน่ะข้าพเจ้าขอนิสัยจากอุปชาอขอนิสัยอะไรขอนิสัยอะไรก็ได้ที่มันเอื้อเฟื้อต่อกันดูแจ้งเห็นจริงเนี่ยต่อกันดับทุกข์เนี่ยนิสัยมากน้อยสันโดษนิสัยปล่อยวางอนิสัยขยันขอนขวายนิสัยมีความเพียรสูงเพราะมันเสียเวลามาแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ย เียเวลามาบวชเนี่ยเียเวลานะมาเพื่ออะไรล่ะมาเพื่อทําบันนี้อ้าวพอรู้ทางแล้วก็ขยันดําใครช่วยเราได้ไหมจริงๆลึกๆจริงๆเนี่ยกิเลสคนมันเยอะมากะมันไม่ค่อยฝืนตัวเองเท่าไหร่นะตัวเองช่วยตัวเองนั่นลึกๆเนี่ยแต่หลายๆคนมีตัวเองกับช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรช่วยแนะช่วยนําช่วยบอกช่วยเกาช่วยกระแทกแดกดันช่วยสั่งสอน มันถึงจะไปได้คัถ้างั้นก็ไม่ได้เขาถึงเรียกพระนวกะไงนวกะอยู่กับอุปชาบวชแล้วถ้าอยู่อุชาไม่ได้ท่านก็มอบหมายให้พระสวดไปสั่งสอนแทนบวชอยู่กับท่านดังนั้นเวลาบวชนี่เขาจะถามแต่ดีสมัยก่อนใครจะรับเป็นภาระเนี่ยอุปชาโยมีพันเตหุหินะ อามากลางที่รศภาลาใครจะรับเอาไปเป็นภาละในการสอนคนคนนี้ยที่บวชใหม่เนี่ยจึงจะบรรลุธรรมถ้ามีคนรับอา้าวผมยินดีจะรับสอนเขาถึงให้บวชถ้าไม่มีคนรับไปสอนเขาไม่ให้บวชแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกอุปชาก็เห็นแก่เงินนะความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเราก็เห็นเป็นการบวชแบบประเพณี ไม่ได้สนใจอะไรแต่ก่อนเขาเข่งคัดนะใครที่จะรับภาระคนคนนี้บวชออกมาหนึ่งเอื้อเฟื้อด้วยปัจจัยสี่ตำมีทำได้อาหารบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยของใช้ของสอยอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูแลเหมือนลูกอะคือตัดขาดชีวิตครอบครัวญาติโ ย, ยมแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกันนะมาเนี่ยมาอยู่วัดเวลาเราสวดจึงมีคาสวดา่า ที่คุณังสีฆาซาชีวาสัมปนาอตังนโนอาคารัสมาณการิยังปปะจิตาเป็นผู้บวชหนีออกจากเรือนมาบวชแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วแต่บางคนเที่ยวไปบ้านคืนละสามรอบวันละสี่รอบไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวโทรไปบ้านแล้วเดี๋ยวคุยไปบ้านไม่ได้อะไรนะไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่สาระดิท้าวพระเจ้า เป็นผู้มีศรัทธา อ, อบวุฒจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยแนเลยเมชีเขาสวดไปนั้นพระสงฆ์ก็เหมือนกันนี่พิกขูนังสิกาสัจจิวาสมเนรานังสิกาสัจจิวาสมภาพนาเป็นผู้มีศรัทธาออบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนตัดสมิ่งปะควติพรมจรรย์ประพฤติอยู่ซึ่งพรมจรรย์ในพระของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี่ย เนี่ยเลยแล้วสวดไม่ได้หมายความว่าเราบวชมาทําเล่นเล่นเอาจริงเอาจังอันเนี้มนยมาเรียนรู้อันนี้ส่วนเรื่องอื่นเรื่องการสอนกันบอกกานเก็บเป็นเรื่องหลังจากความเพียรของเราสติปัญญามันเกิดแล้วนะดังนั้นศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งการเข้าถึงสัจจะที่เขาเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือการประพฤติอย่างพรหม ประพฤติอย่างพร้อมทำไมใจนี้จะมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาพรห ม, มจรรย์คือการประพฤติให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตถ้าจิตบริสุทธิ์เนี่ยทุกข์มันก็ไม่มีแต่ถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ความคิดมันก็เยอะทุกข์มันก็เกิดอังั้นประพฤติพรห ม, มจรรย์มันประพฤติพรห ม, มจรรย์ซึ่ง อินทรีย์ของคนเนี่ยศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเริ่มต้นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันแต่พอปฏิบัติไปแล้วก็มีเหมือนกันศรัท ธ, ธามันก็เกิดขึ้นขยันขึ้นถ้าไม่ขยันก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เขาสามารถสอนให้เราขยันได้ให้เรามีความเกรงอกเกรงใจเนี่ยอันนั้นแหละเนขาเรียกกัลยาณมิตรเป็นผู้ดลบันดาลให้เรามีความเปียนได้ ยังไม่มีศีลให้มีศีลยังไม่มีสมาธิให้มีสมา ธ, มมาธิมีสมาธิแล้วก็ทําให้เกิดปัญญาเผื่อปัญญาหลุดพ้นเนี่ยเนี่ยอินทรีย์เราเนี่มันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอา้าคนนี้สติอ่อนก็ช่วยทําให้เขาสติเข้มแข็งขึ้นสมาธิปัญญาให้มันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนั่นแหละคือหน้าที่ของอุปชาครูบาอาจารย์ถ้าอุปชาไม่มีมอบหมายไปให้อาจารย์ไม่คู่สวดก็ คนไหนก็ได้เขาก็มีหนังสือช่วยอุปการะเลี้ยงดูอุปสัมปทาเปกขะคนนี้ด้วยเดอ้อเอาไปดูแลให้หน้อยมีเวลาอุปชากระบอกให้เดี๋ยวนี้พุทธเจ้าท่านตรันตรงว่าต่อไปในอนาคตจะมีอุปชาเป็ดเกิดขึ้นมากมายอุปชาเป็ดก็คือไข่แล้วก็ทิ้งไข่แล้วก็ทิ้งเป็ดนี้มันไข่ได้ทิ้งกมันไม่ไฟักนะแต่ไก่เนี่ยฟักก็คือบวดให้แล้วก็ทิ้งเลยแล้วจะมันจะไปช่วยยังไงดีงไงไม่ได้สนใจ จะเป็นอย่างนั้นน่ะฉั้นคนบวชมาก็ไม่รู้เรื่องไปทางไหนมันดีพ่อแม่เนี่เจ็บช้ำน้ําใจนะบางทีเพราะอะไรเนื่องว่าบวชมาแล้วมันจะดีกว่าเดิมมันทีแย่กว่าเดิมอีกแย่กว่าไม่ได้บวชอีกอายคนอีกเป็นภาระอีกเดี๋ยวโทรไปแล้วเอาอันนั้นมาส่งในเดอือเอายว่าเสพๆมาส่งในเดือยว่าทีวีมาให้ในเดอือเอาอันนั้นนอ้าวตายะแย่กว่าคนไม่บวชดังนั้นปัญหา เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีอยู่ตามทั่วๆไปนะเว้นไว้แต่วัดป่าถ้าเป็นวัดป่าเขาเคยมีจริยวัดที่ดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเน้นกว่าเด็กหรือว่ากว่าวัดในเมืองหน่อยนะเว้นไว้แต่ว่าผู้นำนะอยู่ที่ผู้นาถ้าผู้นำเอาใจใส่ก็พัฒนาแต่ถ้าไม่ได้ผู้นําไม่ได้เอาใจใส่ก็ไม่ว่าจะวัดป่าวัดบ้านก็จะมีสภาพคล้ายๆกัน คือไม่ได้มุ่งหวังบวชเพื่อแสวงหาสัจธรรมบวชเป็นพระก็เหมือนกันบวชเป็นชีก็เหมือนกันหรือแม้แต่คนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะนะดูคําสอนองพระพุทธเจ้านี่บอกว่าลาบยศสารเสริญเนี่ยเป็นอันตรายแสบเผ็ดสําหรับสัมณะท่านบอกว่าเป็นใบไม้ถ้าเปียบต้นไม้เนี่ยเราหวังจะเอาแก่นไม้มาทําบ้านเรากลับได้ใบไม้ ทีนี้ศีลเป็นเปลือกไม้เนี่ยถ้าได้ศีลเนี่ยถ้าได้สมาธิล่ะเป็นกระพี้ไม้อืได้ปัญญาล่ะปัญญาเป็นเนื้อไม้อ่ะหลุดผลเป็นแก่นไม้เราจเจ้าแก่นมันมาทําบ้านเราเอาเปลือกเอากระพี้มาเออเอาสะเก็ดมันมาเนี่ยสะเก็ดไม้เนี่ยไม่ใช่ เหมือนกันเข้าสู่พรหมจรรย์นเนี่ยเราเกิดเข้ามาก็เพื่อแสวงหาเราจะเอาแก่นมันมาทําบ้านแก่นพุทธธรรมหรือแก่นไม้นี่มันเหมือนกันแต่เรามองไม่เห็นนะมองเห็นเรื่องอื่นว่าเป็นเรื่องสําคัญซะปัญญามันก็ไม่เกิดอย่างนี้นดังนั้นในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะมีกําหนดขอบเขตมัอนถ้าในบ้านในวัดในเมืองนี่เขาเรียนนักธรรม เรียนพระพุทธเจ้าเป็นลูกใครเกิดที่ไหนอะไรยังไงเขาเรียกว่าปริยัตนะิปริยัติคือเรียนรู้เรียนจําอันนั้นเขาเรียกว่านักจําแต่ผู้ปฏิบัติธรรมนี่เขาเรียกว่านักธรรมนักธรม ร, กธรมตรีนักธรรมโทนักคือธรรมอ่ะเนี่ยนักธรรมคือนักวิปัสสนาเนี่ยเรียกว่านักธรรมเรียนนักธรรมนั่นเรียนนักจําแต่ถ้าเป็นอยู่ วัดป่าก็จะดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าก็คื อ, อยังไงอ่ะฝึกฝนอบรมพัฒนาจิตตัวเองให้มีสติมากขึ้นสมาธิมากขึ้นปัญญามากขึ้นเพื่อการหลุดพ้นการดับทุกข์นั่นแหล ะ, ะสามเดือนก็สมสามเดือนอ่ะสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนสิบเดือนพัฒนาเนี่ยจนกระทั่งว่าโนแล้วเราเองก็เป็นที่พอใจโ่เกิดมาชานี้ไม่เสียชาติเกิดเนาะ ได้เห็นแย้งสัจธรรมได้มีการดับทุกข์กับเขาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะกันบุกันอยู่ในวัดเนี่ยเวลเาเราพัาเขาก็จะบอกเขตมันว่าเขตไหนห้ามไปเขตไหนปราศจากจีวรได้ต้องถือผ้าครองผ้าไตรสามผืนไปไม่ให้ไปสว่างนอกวัดนะนั่นถือว่าพรรษาขาดนีกแหละ เขาก็จะมีกฎเกณฑ์ทางทิศนั้นประมาณนั้นนั้นรั้ววัดเนี่ยอย่างงน้นนี้เขาเรียกว่าเขตจีวราวิปวากบอกเขตให้กําหนดเขตด้านนั้นดดตัวทั้งนี้ไปไหนมาไปไหนมาไหนก็ถือผ้าถือผ้าไตรผ้าจีวรผ้าคล้องให้อยู่กับตัวเองนี่นเป็นข้อวัดปฏิบัติเขาเรียกว่าผ้าไตรพิสุอยู่ปราศจากใต้จีวรแม้คือหนึ่งวันหนึ่งเป็นอาวัตินะ แต่ถ้าทั้งโลกหรือผู้ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ฝึกฝนไม่มีครูบาอาจารย์สั่งสอนตามเรื่องและจะมีไม่มีไม่เป็นไรบางทีแก้ผ้าประเดไม่ว่าอะไรเลยเพราะไม่ค่อยคิดอะไรอ่ะคือมันไม่ได้อยู่ในธรรมวินัยไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมนะฉนั้นมันต้องเรียนรู้เรียนรู้ที่เจ้าสอนอะไรท่านแนะนาให้ทําอะไรแก่นทำคําสอนคืออะไรเปลือกกับพีเนี่ยสามารถปล่อยประละวางได้มากน้อยแค่ไหน อะไรคือสิกขาบทพุทธอานาเล็กๆน้อยๆพอที่ลืมได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรประมาณนั้นอยู่ในภาษาก็าจะมีการแสดงอาบัตท่องคำแสดงอาบัตให้เป็นให้ได้กว่าวัดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์เียปฏิบัติครูบาอาจารย์กิจวัตรนะทวัดสวดมนต์เช้าเย็นรักษาผ้าครอง คำว่ารักษานี่คือไม่ได้หมายว่าไม่ได้ให้มันเฮี้ยนะรักษานี่คือทําความสะอาดนะใช้เนี่ยอันผ้าสกรปรกเนี่ยไม่ได้เลยมีกลิ่นมีเม้นมีอะไรประมาณเนี่ยไม่ได้แล้วผ้าเนนี้ยสกรปรกมีผ้านุ่งไหมเนี่ยนะไม่มีเป็นหน้าที่ของบูปชาอาจารย์ต้องให้ต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์คนนี้เขาไม่มีเนาะให้เขานี่คือหน้าที่ของครูบาอาจารย์ถ้ามันสกรปรก จัดการสั่งให้ไปซักถ้านุ่งไม่สวยไม่งามบอกคนนั้นบอกไม่ได้ไล่ศึกเพราะมรดกนี้เป็นของคนสะอาดอยู่ไม่ใช่คนสกรปรกอยู่นะสะอาดทั้งกายทั้งจิตอันนี่ยจิตก็ต้องให้สะอาดกายก็ต้องใส่สะอาดมันจึงจะสามารถเป็นตัวอย่างของคนได้นุ่งผ้าอุ้ออยอ่ะไปเบียนดาบาย่มใส่บากดกระไรมืออัดหูดังไว้ใส่บาตรลัวใดต้องให้มันสวยมันงามมันดี ผมขนเล็บฟันหนังทำพอเหมาะพอสมควรนะผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นกรรมฐานนะพินิจพิจ น, นะเลยเลึกรู้เนี่ยทัานวันวั น, ว, น, ว, น, ว, นวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยมันได้ถามตัวเองเสมอนะคุณธรรมอันพิเศษที่เป็นเรื่องของอริยะเนี่ยมันเกิดขึ้นในเราหรือไม่ อา้าวหนึ่งพรรษาเกิดปัญญาขึ้นมาไหมสองพรรษาสามพรรษาสีพ่พรรษาใกล้บรรลุธรรมหรือยังมันต้องถามตัวเองดิเด้ถ้าไม่บรรลุธรรมอา้าเราไปเปิดดูตำหลักตำหลักพุทธิยอว่ายัางไรเงี้ยเอาอีกใหม่ดิมันสอนให้ฝึกอะไรเรียนรู้ว่าเราเกิดความเข้าใจขึ้นมาเอา้ามันถือว่าเป็นคุณนะประโยชน์กับตัวเองและพะุทศาสนานะถ้าเราฝึกดีอา้าวเป็นสีเขียพุทศาสนาอืม อย่างเขาสอนโบราณนะเขาบอกว่าวัดไก่ทาบม่ามีน้มกินมูปั่นดินบ่มีหมอใส่ยาเลี้ยงไก่บ่มีตขันเนี่ยสวดจุมกุ้มมืองุ่มว่าถึงเนี่ยสวดจุมกุ้มมืองุมไม่ถึงอยู่กับพระศาสนาแต่ไม่รู้เรื่องราวของพระศาสนากอดคำพีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ไปนับถือผีเนี่ยโห้ยจ บ, บันดีเลยนะ อาตมาว่าให้พระผู้ใหญ่เขาอยู่สวดจุ่มกุมมืองมมาถึงอยู่กับพระศาสนากอดคำพีพระพุทธเจ้าทำวัดสวดมนต์ท่องคำสอนพระเจ้าอยู่เป็นทุก์ยังเอาหมอเย่าไมา่เย่าผีเจ้าของถือว่าโง่มากนะเนี่ยไม่มีปัญญาเนี่ยแทนที่จะพึ่งธรรมะของพระเจ้าชำระล้างใจโอ้ยไม่เป็นให้นี่แหละบางทีก็อะไรนะ วัดใกล้ทาบโมมีน้ากินวัดใกล้สร้างนะโมมีน้ากินวัดเนี่ยยุติสน้าส่างอ่ะโมมีน้ากินคือหมายว่าอยู่ใกล้พระธรรมคําสอนพระเจ้าอยู่เรื่องอยู่ใกล้ๆผู้ปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจสัจธรรมเวลาทุกมาก็ทุกมากปล่อยวางไม่เป็นดับทุกข์ไม่ได้เนะี่มูอปั้นดินโมมีหมอใส่ไปนอนันดินตัก ว, วันทุกวันไม่มีหม้อใช้ ปั้นปั้นไม่เป็นมูปั้นนี่คือพระสงฆ์พระเจ้านี่แหละมาปั้นจิตปั้นใจตัวเองเนี่ยปั้นด้วนปั้นขันหน้าของเรานี่นะรูปเวทนาสัญญาสังขารที่จะไม่ให้มันเป็นทุกข์เนี่ยปั้นไม่เป็นปั้นแล้วก็แตกไปแล้วแตกฝึกสมาธิทุกวันทุกวันปฏิบัติทุกวันฝึกทุกวันแต่ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดศีลไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาขึ้นมาวัดตรงไหนวัดตรงที่เวลาทุกข์เกิดขึ้นอ้าวไหลไปกับทุกข์อยู่เนี่ยเห็นไหม สุ่มปั่นดินมูปั่นดินปอบมีหมอใส่เนาะโยมห่วยหญ้าเลี้ยงไก่ทีนี่หญ้าเลี้ยงไก่หญ้าหญ้าห้ารู้จากหญ้านะแม่หญ้าเนี่ยไหมเลี้ยงไก่โมมีโตขันหญ้าก็คือเรานี่แหละเนี่ยพวกญาติโยมเนี่ยฮเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ก็คือไปทําบุญทุกวนันทุกวันในวัดไปทําบุญกับพระทุกวนันทุกวนันทุกวนัน ไม่มีตัวขันบะมีไก่ผู้เหลืองตัวไหมันขันก็คือพูดถึงเรื่องสัจธรรมไม่เป็นไม่มีตัวไหนรู้แจ้งนะยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีบะมีไก่ตัวไดขันโอ้ยบรรลุธรรมหรือเด้อข้าพเจ้าพ้นทุกแล้วดับทุกได้แล้วมันบะมีตัวใหนไก่ยืนยันรับรองมาไหนเนี่ยยาเหลียงไก่บะมี่โตขันสวดจุมกุมประมืองุมบะฮอดสวดจุมกลุมเฮือนอยู่ไกวัด อหรือเราอยู่ใกล้พระธรรมคำสอนผับวิเห็นธรรมะปิตายานอันนี้อัลทุกวันนี้เอาไปเอามาพวกไม่รู้ธรรมะเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราไม่ได้ศึกษาธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยกลายเป็นกลมหมูมากพลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพระยะสะกากนถกะบุตรนะก่อนสังขยาในสังขยาเนี่ยท่านหนีหนีขึ้นไปหลบอยู่ในภูเขาเพราะอะไรเพราะว่าไปเจอพวกเขาเรียก ว, วัดชีบุตร วจีบุตรปารบเรื่องคาถาวัตถุสิบอย่างท่านสู้ไม่ไหวมันมีแต่พระปลอมบวชพระบวชมากแมีแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรการอยู่การกินเรื่องอะไรต่างๆสิบเรื่องมีแต่เรื่องกิเลส ท, ทีนี้เขาเป็นหมดบ้านหมดเมืองแต่มีแต่ท่านทัานเดียวเป็นพระอหรหันต์อยู่ในกุฏิ เวลานั้นเขาก็เอาเงินเอาทองใส่ถาดใส่เรามาถวายท่านมอบให้ท่านว่าอาจารย์เดี๋ยวเข่งคัดหล่เพราะเขาเป็นเจ้าคณะนั้นเจ้าคณะนี้เด้มาคุมท่านท่านแมวท่านปฏิเสธท่านอย่าเผยแพร่พระศาสนาอย่าเผยแผ่พระธรรมท่านไม่ไปร่วมสังฆทานไม่ไปร่วมทําวัดสวดมนต์ไม่ไปร่วมอุโบสถไม่ร่วมสังกัดเพราะมันไร้สาระมันไม่มีประโยชน์นะะมันมีแต่คนพานอยู่ เอาไปามาพราะเขาไม่ไปมากตามจับท่านในกุฏิล้อมกุฏิไว้จะฆ่าพระอันเนี้ยเพราะอะไรปฏิบัติดตีมันไม่เอาด้วยเองท่านเป็นพระหลานพระยะ ก, การกรทั้งกรบไม่เอาด้วยสมัยพระโมกขลีปุติสัทีละอุเ น, นี้ยไม่เอาด้วยกับพระผานทั้งหลายเนี่ยเขาจะจัดการคือเอารถหรูมาให้ก็ไม่เอาเนี่นะ นะเอาเครื่องบินเจ็ตมาให้ก็ไม่เอาเอาอะไรให้ก็ไม่เอาสักกันโอ้ข่าเท่า น, นั้นแหละเนี่ยท่านไม่เอากับเขาอ่ะล้อมกุฏิขึ้นไปท่านเผอิญว่าท่านมีอิทธิฤิตหน่อยเหาะออกทางหน้าต่างนะเราไม่เห็นนะอาจจะโดดก็ได้ด้ท่านเหาะออกทางหน้าต่างวูวขึ้นไปอยู่บนภูเขาจนทั้งว่า พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยท่านอยากเห็นพระดีท่านเห็นว่าสังคมนี่มันวุ่นวายแล้วเกินเน่ยพระศาสนาพระสงฆ์ก็เจ้าหาคนบรรลุธรรมก็ไม่มีคนเห็นธรรมเห็นลูกเจ้าเห็นจริงไม่มีมีแต่พระปลอมบวชศาสนาก็มีแต่ประเภทนี้เฮาประสาทเพ่งประสาทมิมอยู่เนี่ยโอ้ยทายไม่มีอะไรแล้วเนาะมีแต่พระทุดพระแ๋วเต็มไปหมดเนาะเอาไปมาท่านบอกว่าทําไงจะปราบพวกนี้ได้เขาบอกว่ามีพระองค์หนึ่งอยู่บนเขา ท่านไม่ยุ่งเรื่องแบบนี้ก็เลยไปเชิญนิมนตร์ท่านมาเห็นไหมไม่ได้หมายคว่าคนน้อยคนจะเป็นผู้ไม่ปฏิบัติปฏิบัติชอบจะไม่มีอิทธิพลต่อสังคมนะคนเ ล, ล่ห์ลับคนพระสงฆ์เยอะๆที่ไม่ปฏิบัติไม่ได้หมายาว่าไอ้ที่รวมกันเยอะๆไม่ได้หมายาว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติถูกนะต่อมาก็เกิดสังขารนา พระเมื่อพศสองสาพศสามรอ300้อยสามร้อยสี่ร้อยนะเอาพระสงฆ์ปลอมมาสอบทีละคนทีละคนทีละคนบวชมานี่รู้แจ้งไงรูปนามเป็นยังไงปรามัดเป็นยังไงอะไรประมาณเนี่ยตอบไม่ได้เขาฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งพระก่อนที่เขาจะสอบเขาว่าประกาศนะถ้าใครคิดว่าเป็นพระปลอมรีบศึกษาถ้ายังไม่ศึกเขาสอบเนี่ยฆ่าตายนะก็เข้ามาเป็นแถวเป็นเถยวฆ่าหมด เพิ่งได้ค่าค่าไปห้าหมื่นองไอ้ห้าพันองเองยังค่าไม่เยอะพระเจ้าแผ่นดินนะค่านะในอินเดียค่าพระปลอมเนี่ยธรรมาประเทศไทยในอยากหัวแล้วเนาะหางพอดีแล้วประเทศไทยเนี่ยคนะ่าทิ้งหมดแหละเอาองนั้นมาค่าเอาองนี้มาค่านะกลัวจะมีดและจะทู่ไปหมดนะมันหลาย เนียนตุดเนียนพระพวกนี้โอ้ยมากมาย ห, หลายหลากหลายเน้นเราทั้งหลายอาจจะเป็นคนในน้อยกลุ่มในน้อยแต่ก็ขอให้พัฒนาพระศาสนาเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองฝึกสติฝึกสัมปชัญญะเรียนรู้พาะธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านะเราอาจจะไม่มีความรู้แบบว่าไปสอบตามกฎตามเกณฑ์เขาพระพุทธเจ้าเป็นลูกใครไม่ต้องเปแต่เรารู้ว่า ความทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงครัความคิดมันมาจากไหนความปรุงแต่งเนี่ยปฏิบัติธรรมนี้เราไม่เรียนรู้เพื่อจะเป็นเจ้าเป็นนายเ ป, นเป็นน้อเป็นนี่แต่ต้องการดับความคิดดับความปรุงแต่งดับความทุกข์ดับสัญญาดับเวทนาตัณหาพวกนี้ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเนี่ยเป้าหมายของพระพุทธเจ้าคืออันนี้ที่สอนคนเนี่ยดงั้นเรามาเรียนรู้อันนี้คิดว่าพรรษาหนึ่งหนึ่งที่ผ่านไป ก็ขอให้เป็นเรื่องของการยกระดับจิตใจเราให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะด้วยความเพียรอาศัยตบะอาศัยวิชาอาศัยเจรณะนะฝึกฝนเรืเ่อยๆมันก็จะพัฒนาขึ้เเนเรื่อยๆจนกระทั่งโน่นกลายเป็นปัญญาที่แท้จริงไปในมาในก็ไม่ทุกข์ละไม่กลัวความทุกข์ไม่กลัวความทุกขไม่ใช่ไม่กลัวคนนั้นว่าให้คนนี้ว่าให้นะแต่ไม่กลัวความปรุงแต่งที่จะเกิดขึ้นในจิตเราเนี่ยความเจ็บช้ำนําใจความหงุนหงิดติดอารมณ์ความห่วงความงงความเบื่อความ กิเลสตัณหาราคะเกิดคือว่าเเรา ด, ด, ดับได้ดับได้แต่มันว่างก็สบายในชีวิตเนี่ยนะพอเราเข้าใจเอาสามารถบอกต่อได้แนะนําบอกได้คนนั้นได้คนนี้ได้นะถา้างนั้นเราก็จะเป็นเพียงแค่อย่างที่ว่านะนะเป็นเพียงแค่วิปัสสนานะเราก็สอนธรรมะในระดับวิปัสสนาดนะนั้นใส่ใจใส่ใจศึกษาพระธรรมวินัย คิดว่าอธรรมะเนี่ยอยู่ในคนทุกคนแล้วนะพี่แต่ว่าทําไงไม่ที่จะปรากฏเกิดขึ้นเท่นี้เหมือนน้ําในบ่อเนี่ยทําไงนี่เราจะเอาขึ้นมากินได้อนับนาน้าําในดินทองคําฝังอยู่เนี่ยทําไมเราจึงจะขุดขึ้นมาได้ในใจเราก็มีธรรม ะ, รรมะทํำไมจึงจะเอาออกมาได้เท่นี้นั่นแหละนะการสั่งโจงกรมการเดินโจงกรมจ า, จ า, กกมจาสร้างจังหวะจะช่วยได้ ช่วยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาเป็นอุปกรณนะ์คิดว่าเราน่าจะได้ประโยชน์นะจากการเขา้ารรษาเพราะเขา้ารรษาเนี่ยปกตินอกรรษาสอนในรรษาเอออาจจะมีเวลาทำมากขึ้นเพราะมันอยู่จำอยู่ในฝนตกเี่ยมไปไหนไม่ได้นะเหลืออย่างเดียวคือภาวนาดังนั้นวันนีนะ้ก็คิดว่า จะชวนพวกเราตั้งหลายเดินจะกลมถึงสว่างเนี่ยแล้วไหวไหมจันแมมอย่ายิ้มนะไม่ได้ขอรอยยิ้มขอความตอบตอบแต่เก่าก็เห็นจริงจังอยู่เนี่ยนี่อีกหน่อยมันก็น เ, ลเลยแล้วในหกทุ่มเนี่เหลืออีกสามชั่วโมงเดินไปเดินมาตดยังไม่หายเหม็นเลยแจ้งแล้วจะมีอะไรคู่บ้านละคนหนึ่งเนี่ยจะอยู่แจ้งเนี่ย อ้อจริงๆนะแต่ละครั้งละครั้งกัท่านได้ได้ท่านคนหนึ่งละกับหลวงปู่สังอ่ะแต่ก่อนแต่วันนี้เนี่ยมั่นใจว่าครูบาหยุดก็จะอยู่ครูบาหยุดก็อนจะเอาแจ้งวันเนี้ยเพราะว่ากลางวันท่านเตดินจูงกลมดีมากครับครูบาอ้อนคนหนึ่งเนี่ยเพราะเห็นสี่ทุ่มห้าทุ่มท่านถึงปิดไฟทุกทีเดินจูง ก, กลมนั่นมันก็เลยหกทุ่มที่หนึ่งนี่ๆๆกลางวันเราก็อาจจัด นะทำโน่นทำนี่จะง่ายขึ้นยิ่งคุปปาออบไม่ต้องพูดแล้วอยู่แน่นอนคูอบเนี่ยนะคนเพียนอยู่แล้วขอให้อาศัยความจริงจังจริงใจต่อตัวเองนะนะต่อสติปัญญาต่อเราเนี่ยเราจะหาสัจธรรมเราจะได้อะไรอะได้ที่พึ่งคือได้แก่นของธรรมคือการพ้นทุกข์ พ้นทุกระดับไหนนะ่ะระดับรูปนามระดับไตลักษระดับสมมติระดับปรามัติแล้วแต่เราจะได้ระดับไหนอยู่ที่การปฏิบัติของเราเองนะั่นแหละอันก็ให้ขอคิดนะนี่อนุมโมทนา